ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมา ส, สัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสัตตะปพะปุพพสิกขาและปุพพสิกขาวันนาพระอมราพิรกิตะอมโรเกิดวัดบรมนิวารชนาปุพพสิกขาวันนาหน้าหนึ่งนมัตถุรัตนัตยักษะ รัตนัตยังนมิตวานวา น, ามนัมะนสิกิตุงอาดิมหิสยามภพาสายะสังเขเปเนวพาศิตายาจะปุพระสิกขาตัดสาวะโถกังวิถาระวันนังกิสังญาตุ ก, กามานังปนาเมีนสุพังพระเวข้าพเจ้าขอนอบน้อมนมัสการซึ่งพระรัตนตรัย คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วปุพพสิกขาอันใดที่ข้าพเจ้าพาสิทธ์คือว่าแต่งไว้แล้วเพื่อให้กลุบุตรทั้งหลายผู้เป็นคนใหม่ในศาสนาศึกษาตามในการเป็นเบื้องต้นด้วยเป็นสยามภาษาโดยสังเขย่อนะักข้าพเจ้าจะ ก, กระทาการวันน า, นาแห่งซึ่งปุพพสิกขานั้นโดยพิศดารสักน้อยหนึ่ง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 เพราะฉะนั้นจึงได้กล่าวว่าผู้จะอุปสมบทและอุปสมบทแล้วเพิงศึกษาข้อทั้งเจดนี้ก่อนก็ข้อทั้งเจ็ดนั้นคือรัตนัตยะปัพภะข้อว่าด้วยรัตนไตรหนึ่งอาปัตินามาดิปปะข้อว่าด้วยชื่อแห่งอาบัติเป็นต้นหนึ่งปัตติปติมุขสิกขาปัพภะ ข้อว่าด้วยศิขาบทเป็นป่าเป็นทางแห่งความปฏิบัติโดยมากหนึ่งการิกระ์ปัพพร ะ, ะข้อว่าด้วยการิกษ์หนึ่งพินทวาธิฏฐานาที่ปัพระ ข, ข้อว่าด้วยวิธีมีพินทุและอธิษฐานเป็นต้นหนึ่งวิชะหนาทิปัพระข้อว่าด้วยขาดอธิษฐานเป็นต้นหนึ่งอาปาติเทศนาทิปัพระข้อว่าด้วยสแสดงอาบัตเป็นต้นหนึ่ง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 อันหนึ่งเพราะเป็นของทำความยินดีให้บังเกิดแก่โลกทั้งสามจะกล่าวด้วยพระพุทธรัตนากรถามว่าเรียกกันว่าพุทธพุทธนั้นอะไรเป็นพุทธแก่ว่าพุทธนั้นว่าโดยปรมัตถวูหานวิสุทธขันทสัญญาณคือกองรูปกองเวทนากองสัญญากองสังขารกองวิญญาณซึ่งเป็นของมีต่อมาแต่พบก่อน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 รู้เหตุที่ให้เกิดสังขารก็ได้แก่สมุทัยสัตว์รู้ที่ดับของสังขารก็คือนิโรธสัตว์รู้หนทางดําเนินไปยังที่ดับสังขารก็คือมรรคสัตว์นี้แหลชื่อว่ารู้เท่าสังขารก็เท่ากับรู้อริยสตินั่นเองท่านรู้ความเป็นเองของสังขารอย่างไรพระองค์รู้ว่าสรรพสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงแท้ย่อมแปรเปลี่ยนไปต่างๆมีแล้วหาไม่เกิดแล้วดับไป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 พระองค์รู้หนทางดําเนินไปยังที่ดับสังขารนั้นอย่างไรพระองค์รู้ว่ามัดประกอบด้วยองค์แปดมีสมาธิฐิเป็นต้นที่เกิดขึ้นแล้วกําหนดรู้ความทุกข์มลรปัญหาเห็นพระนิพพานนี้แหละเป็นหนทางให้ถึงซึ่งความดับทุกข์และพระองค์ทำมัดนั้นให้มีให้เป็นให้เกิดขึ้นในพระหริยภะยด้วยภาวนาพิสมัยคือการตัดสรู้ด้วยการอบรมเจริญภาวนาด้วย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 เหมือนกุฎิชนอย่างนี้แหลชื่อว่าพระองค์รู้เท่าสังขารทั้งปวงถามว่าบุคคลที่ท่านเรียกกันว่าพุทธะนั้นมีกี่พวกแก่ว่ามีอยู่สี่พวกคือเจ้าหูสูตรพวกหนึ่งท่านเรียกว่าสุตตะพุทธะเพราะเป็นผู้รู้เท่าซึ่งความดีความชั่วเป็นต้นด้วยการสดับและเล่าเรียนป ร, ริยัติธรรม อริยสาวกอีกพวกหนึ่งท่านเรียกว่าสาวกะพุทธะเพราะได้ฟังคำสอนแห่งพระพุทธเจ้าแล้วแลรู้เท่าสังขารตามเสด็จพระพุทธเจ้าพระสยัมภูผู้เป็นพระผู้รู้เองสอนผู้อื่นไม่ได้ดังคนใ้ฝันเห็นจำพวกหนึ่งท่านเรียกว่าปัจเจกกะพุทธะเพราะรู้เท่าสังขารแต่ลำพังตัวเอง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 อยู่ณเมืองกบิรพัตพระมารดาทรงพระนามว่าสิริมหามายาพระโอรสของพระองค์ทรงพระนามว่าราหุนพระเทวีของพระองค์ทรงพระนามว่าพิมพายโสธราเมื่อพระชนมายุของพระองค์ได้ยี่สิเก้าพรรษาพระองค์จึงละคารวะสมบัติออกบรรพชาบำเพ็ญเพียรแสวงหาโมกะธรรมอันบริสุทธิ์จยถึงหกปี จึงได้ตัดรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณตอนนั้นไปพระองค์ทรงบำเพ็ญพุทธกิจสั่งสอนเวินยนิกรตลอดสี่ทิห้าพรรษาจึงเสด็จดับขันธปรินิพานณนะเมืองกุสินาราถามว่าบิดามารดาบุตรภรยาและสุขสมบัติเป็นของรัฐเหตุไฉนพระองค์จึงมาละทิ้งเสียได้แก่ว่า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 ก็ไม่เห็นชัดิดปัญญาเหมือนกับเห็นของสามอย่างมาแต่ชาติพระองค์จึงร้อนพระหฤทัยว่าจะอยู่ในสุ ข, ขสมบัตินี้จะหาทมเป็นที่หลีกหนีความทุกข์เหล่านี้ไม่ได้เป็นแน่ด้วยเกลื่อนกลลนอยู่ด้วยบุตรภรยาทรัพสมบัติที่จะพาให้ลุม่มหลงและถมทุกข์ทวีขึ้นสริสมบัตินี้เป็นที่คับแคบนักแล้วทรงเห็นว่าบรรดาชาทรงเพศเป็นบรรพชิตอยู่แต่ผู้เดียวนั้น ไม่เกลื่อนตนด้วยเหตุที่จะให้เกิดความยินดียินร้ายพระองค์จึงมาละสุขสมบัติออกทรงเทศเป็นบรรพชิตแสวงหาธรรมที่สิ้นทุกทั้งปวงเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าพระพุทธเจ้าพระองค์เกิดเป็นสองครั้งคือเกิดด้รู ป, ปกายครั้งหนึ่งเกิดด้วยนามกายอันบริสุทธิ์ครั้งหนึ่งคือตั้งแต่ลงสู่พระคันของพระมารดาแล้วอยู่ในคันสิบเดือนแล้ว พระตูจากพระคันณปาลุมพินิวันที่ระหว่างเมืองเทวทหกกับเมืองกบิลพัทมีพระตายพร้อมด้วยทวติงสะมหาปุริสักษณะควรจะเป็นภาชนะรองพระพุทธคุณทรงพระนามว่าสิทธัศนอยู่เป็นกุมารสิบหกปีพระบิดาให้เสวยสุขสมบัติอยู่ในประสาททั้งสามสมควรแก่ฤดูทั้งสามได้สิบสามปี แล้วมละภราวาสสมบัติออกทรงเพศเป็นบรรชิตบำเพ็ญความเพียรแสวงหากิงกุศลกุศลหกปีสเสด็จนั่งณนโะคนไม้ชื่ออาสัตถะที่เรียกกันว่าต้นโพณ ร, นะริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราจนสำเร็จวิชาสองเบื้องต้นและวิปาาัสนาญาณเพียงโคตรตรูยานต่อกับโสดาปฏิมัก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 แต่ยังไม่ชื่อว่าผู้บาลเต็มที่แล้วด้วยยังไม่ได้บำเพ็ญพุทธกิจตั้งแต่พระองค์ทรงสแสดงธรรมจักกัปวัตนสูตรแก่ปัญจวัคคียิิุกนาปาอิติปัตนะมรุทัยวันพระัญญาโกณทัญญะเทระได้โสดาปติผลรู้เท่าสังขารโดยเอกเทศตามเสด็จพระองค์แล้วไปจนพระองค์ดับขันด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ณระหว่างไม้รันทั้งคู่ในสวนสารวันแห่งมรลกสัตย์ชื่อว่าบานเด็นที่แล้วเพราะบำเพ็ญพุทธกิจเสร็จแล้วถามว่าอะไรคือรูปกายอะไรคือนามายแก้ว่ามหาพุทธรูปสี่อุปาทยรูปยี่สิบตีชื่อว่ารูปกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสี่กองนี้ชื่อว่านามกาย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 เพราะว่าเป็นนามกายที่ยังเป็นโลกิยะอยู่แต่ว่าหลังจากที่อารัตบัตรอารัตผลเกิดขึ้นอันนี้เป็นนามกายที่เป็นโลกุตระจึงได้ชื่อว่าเป็นพระพุทธเจ้าต่ออารัตมัตรอารัตผลเกิดแล้วจึงเป็นพระพุทธเจ้าเพราะเหตุนั้นจึงว่าพระพุทธเจ้าเกิดสองครั้งถามว่าพระองค์แสวงหาุูสธรรมนั้นอย่างไรแก่ว่า พระองค์แสดงหาด้วยอุบายต่างๆจนถึงกลั้นลมหายใจอดอาหารก็ไม่ได้ทาวิเสศติงใดภายหลังพระองค์จึงทรงนึกได้ถึงอานาปานสติฌานที่พระองค์ได้เมื่อยังทรงพระเยาว์อยู่ครั้งหนึ่งว่าเป็นของอศัศจรรย์ชอบกล น, นักหนาเห็นจะเป็นทางแห่งความตัดสู้ได้พระองค์จึงกลับเสวยอาหารแล้วเสด็จไปทรงนั่งณโคนไม้อศัศทะเจริญอานาปานสติ คือตั้งปิติเฉพาะลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวไม่ตรงจิตไปอื่นกระนับกามฉันทะความใคร่ความพอใจพยาบาทความปองร้ายถีนามิทะความง่วงเหงาหาวนอนอุทธะจักุกุจจะความฟุ้งซ่าตรําคาญใจวิจิกิจฉาความเครื่อนแคลงเหล่านี้ที่เป็นนิวรนเครื่องห้ามสมาธิเครื่องหมองใจเป็นของทำปัญญาให้เสียไปแล้วจึงได้ปฐมฌาน เป็นฌานประกอบด้วยองค์ห้าคือวิตกวิจารณ์ปีติสุขเอกคตาแรงกล้ากว่าเจตสิกธรรมอื่นแล้วพระองค์พยายามยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยลําดับระงับวิตกวิจารณ์เป็นของหยาบเสียเหลืออยู่แต่ปีติสุขเอกขตาเป็นทุติยฌานแล้วระงับปีติเป็นของหยาบเสียเหลืออยู่แต่สุขเอกขตาเป็นตติยฌานแล้วละตกเป็นของหยาบเสีย เหลืออยู่แต่เอ ก, กตากับอุเบขาทิกราเป็นจตุตฌานแล้พระองค์ทําฌานทั้งสี่นั้นให้ชํานานเคร่งแคล้วด้วยการนึกและการเข้าเป็นต้นครั้นจิตใสบริสุทธิ์ละเอียดดีแล้วด้วยอํานาจจตุตฌานพระองค์จึงน้อมจิตไปเพื่อปุเพนิวาสานุสติญาณคือปัญญาที่ตามระดึกซึ่งขันที่ตนและสัตว์อื่นอยู่แล้วในพบกอดชาติก่อนก็ระดึกได้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 ความสงสัยว่าสิ่งไรเป็นของแต่งให้สัตว์ได้ดีได้ชั่วและความสงสัยว่าชาติมาแต่ไหนก็ติ้นด้วยเห็นชัดว่ากรรมคือบุญบาปเป็นของแต่งสัตว์ให้ดีให้ชั่วชาติมาแต่กรรมภพอันนี้เป็นวิชาที่สองพระองค์ได้ในยามกลางครั้นวิชาทั้งสองชำระทางปัญญาให้บริสุทธิ์แล้วพระองค์ก็น้อมจิตไปเพื่ออาสวัคคยาญาณ ปัญญารู้ซึ่งทำเป็นเครื่องสิ้นอาสวะได้แก่มัจผลและมิพานคือพระองค์ปรารบชราพยาธิมรณะซึ่งเป็นทุกข์ประหนึ่งว่าไฟเผาตักที่ได้เห็นแล้วแต่เดิมนั้นก่อนจึงค้นหาปัจจัยแห่งความทุกข์นั้นก็ได้เห็นว่าชราพยาธิมรณะนั้นมาแต่ชาติชาติมาแต่กรรมภพก็คือกุศลอกุศล รบมาแต่อุปาทานความยึดมั่นสี่อย่างคือการมุปาทานที่ถูกปาทานสีละพะตุปาทานอัตวาดุปาทานอุปาทานสี่อย่างก็มาแต่ตัณหาคือความดิ้นรนด้วยความอยากตัณหาก็มาแต่เวทนาคือความเสวยรสแห่งอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์และมัทธยัตคืออุเบกขาเวทนามาแต่ผัสสะความกระทบถูกต้องคือทวารมีจัตุประาสาัทเป็นต้น ปัสสที่เกิดขึ้นต่งตางๆหูจมูกลิ้นกายใจคือทวามีจักรุประสาวะเป็นต้นและวิญญาณมีจักรุวิญญาณเป็นต้นและอารมณ์มีรูปเป็นต้นถึงพร้อมกันเข้าเรียกกันว่าผัสสาวะการกระทบกันหรือว่าการประชุมพร้อมกันของธรรมสามอย่างก็คือทวามอารมณ์แล้วก็วิญญาณปัสสาวะนั้นก็มาแต่อายตนะหกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจ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 นี่หนทางให้ถึงความดับทุกข์แล้วพระองค์เห็นว่าอาวิชชากับปัญหาสองอย่างนี้เป็นรากเหง้าเขามูลแห่งสังสารวัตแล้วจึงจะ ร, ริวิปัสนาให้ยิ่งขึ้นไปเพื่อมละอวิชชาปัญหานั้นจะ ร, ริวิปัสนาอย่างไรพระองค์จับอวิชชาสังขารวิญญาณ น, นามรูปอายตนะภาษเวทนาตัญหาอุปาทานภพชาติ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 อวิชาตัญหาจะพึงละได้แทะอันนี้ก็เป็นเรียกว่าสัจญา น, นสัจญานนะพระองค์ก็มารเสียได้ด้วยปหานาพิสมัยก็คือรู้ว่าจะต้องละตัญหาวิชาเนี่ยเป็นสมุทัยก็เป็นสัจญานเป็นสิ่งที่จะต้องละก็เป็นกิจญานเมื่อรู้ด้วยการละได้ก็เป็นกตญาณจะมี ญาณสามในอริยสติปัจจายานกิจญาณแล้วก็กัตตายานคือรู้ทุกสมุทัยนิโรธมรรตตามความเป็นจริงนี่เรียกว่าปัจจายานดูว่าทุกขจะต้องทํากิจก็คือกําหนดรู้สมุทัยต้องละนิโรธต้องทาให้แจ้งมรรต้องเจริญอันนี้ก็เป็นกิจญาณส่วนทุกกําหนดรู้แล้วสมุทัยละแล้วนิโรธทําให้แจ้งแล้วมรรตเจริญแล้วอันนี้ก็เป็นกัตตายานก็เป็น อริยสัตตมีรอบสามก็ได้รวมเป็นอาารยสิบสองพระองค์เห็นว่าดับอวิชชาตันหาสองนี้ได้แล้วสังขารวิญญาณนามรูปเป็นต้นที่เป็นผลก็ดับสิน้นามที่ดับทุกนี้จะพึงเห็นได้ชัดเป็นแท้พระองค์ก็เห็นทาที่ดับทุกชัดได้ด้วยสัจฉิกิริยาพิสมัยคือเห็นพระนิพพานด้วยการกระทาทำให้แจ้ง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 ตามสวะกับภาวะสวะนั่ก็คือตัวตันหาส่วนอวิชชาสวะคือตัวโมหะตันหาเนี่ยคือตัวโลภะทิฏฐาสวะก็อยู่ในนี้นั่นแหละเพราะว่าทิฏฐาสวะก็เกิดกับโลภะนั่นเองแล้วผลเกิดขึ้นระงับซ้ําอีกครั้งหนึ่งมรรคผลนี้แหละชื่อว่าอาสวัคยายนปัญญารู้ความสิ้นอาสวะเครื่องดองในสันดานอาสวัคยายนี้ชื่อว่าวิชาที่สาม พระองค์ได้ในเวลาจวนรุง่งวันวิสาขะปูรณะมีดังกล่ามานี้แหลชื่อว่าพระองค์สแสวงหาทำเป็นที่สิ้นความทุกข์วันนี้ก็สมควรจะเวลาตรงนี้ค่อยฟังต่อในเรื่องที่ว่าพระเหตุใดพระองค์จึงเห็นชาชราพยาธิแล้วก็เห็นสมณะก็ออกบวชเพราะเหตุไรคนอื่นเห็นจึงไม่ออกบวช ขอขอให้ท่านทั้งหลายได้เป็นผู้ที่อบรมไตรสิกขาด้วยกำลังของศรัท ธ, ธาที่ได้ฟังพระสัมมาสัมพุธทธเจ้าแสดงธรรมพระสาวกทั้งหลายได้น้อมนําคําสอนมาแสดงให้ฟังแล้วก็ปลูกศรัท ธ, ธาภาษาธ้อบรมไตรสิกขาเพื่อความสิ้นไปแห่งวัฏฏุกขของตนเองแล้วก็เพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้อื่นด้วยขอหนุมานาสาธุสาธุสาธุสาธุ